วิคือน้ำไปวิเศษพ้นจากจิงที่น้ำไปมันหลงพ้นจากความหล ง, ว, ลงวิเศษกวัวความหลงมันทุกข์พ้นจากความทุกข์วิเศษกวัวความทุกข์เพราะมันเห็นจึงพ้นถ้าไม่เห็นมันไม่พ้ น, พนเั้นอะไรนก็พ้นทั้งหมดนี่คือ ธรรมวินัยดำรงธรรมดำลงวินัยแล้วก็ง่ายขึ้นมีหลำดัำดเมือนกัเราขึ้นบันไดได้มีก้าวขึ้นได้ก้าวหนึ่งขึ้นได้ก้าวสองขึ้นได้ก้าวสามขึ้นได้ถึงก็ถึงได้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 ดำรงวินยัยนำมาจนถึงความไม่เป็นอะไรอย่นี้เลยว่าองค์มรรคเรล่นต้นจากความเห็นไม่ใช่เป็นด้วยเห็นตาเห็นหลงเป็นเหตุจึงทาให้ไม่หลงเห็นทุกข์เป็นเหตุจึงทำให้ไม่ทุกข์ก็สนใจ ไม่ไม่ก้าไม่ก้าล่วงอย่าไปจด่จู่ทำอะไรไม่ได้ก็หยุดทำทำอะไรได้ก็ทำไปไม่ใช่แบบนั้ น, นการปฏิบัติธรรมก็ว่าได้คบ ว, ว่าไม่ได้ไม่มีว่าผิดกับว่าถูกไม่มีคว่า เสียคำว่าหายไปไม่มีหรือได้มาไม่มีมิจะเห็นมันผิดก็เห็นมันถูกก็เห็นมันลูกก็เห็นมันหลงก็เห็นไม่มีคำว่าได้นี่คือทำเป็นอย่างนี้เป็นการที่ไม่เหมือนกัน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 สติรประทานสูตรเหมือนกับเหมือนกับ ส, สูตรหนึ่งในชีวิตเราเนี่ยเห็นกายเป็น ส, สูตรหนึ่งถ้ามีสติมันไม่เห็นเหมือ น, นตาเห็นเห็นเบชนามันก็เป็นสูตรพาไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นก้าวที่หนึ่งข้าวที่สองมันเราขึ้น ข้าผาขึ้นบ้านผ่านป่าผ่านด ง, นนงต่ดบาจยต่าผ่านมาได้อย่างไรหรือเราเหมือนกับเราทำงานอะไรที่มันเ็จมันบอกไหนที่ไม่เ็จมันก็บอกตรงไหนตรงไหนยังไม่เ็จอย่างสร้างบ้านสร้างเรือนตรงไหนไม่เ็จตรงไหนมันเ็ดมันก็บอก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 ก็ อ, อกก่ก็ไม่หันนอนหนูพ้องไปพ่าอ่อานได้ส่วนล้วก็ไม่ต้องฟ้องอา่านไปเลยอา่านไปเลยลมันเมื่อเห็นรูปเห็นนามอา่านไปได้เลยเลยูกมันคืออะไเมื่อเห็นรูปมันก็บอกถึง สิ่งต่างๆที่เกิดกับลูกมีเลยว่าแตกฉานไปเลยไม่เห็นลูกเห็นนามเลยมันบอกไปมันมันเป็นทิศทางของมันไปตามไปนี่ก็ตามไปโ้นตามไปโ้นตามไปลนไปเห็นหมดจบลูกอาการของลูก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 ของความหลงจบแค่นั้นเลยเอ้าพระอริยะบุคคลขัน้นต้นเห็นเห็นก็เห็นความไม่รู้แต่ก่อนไม่รู้รูปรูปรป้นามนะโุกก็เป็นสุกทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธหลงก็เป็นหลง รักก็เปรักเกียรติชังก็เป็นความเกียรชังผมเห็นจักยทิฏฐินั้นไม่จบแคนั้นไม่สงสัยอีกในความหลงไม่สงสัยในความทุกข์ไม่สงสัยในความรักของชังไม่เป็นการบ้านชเหลือเลยแล้วเราว่าพระเรลียวคนนับแต่พระโสดาบันผ่านได้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 มีแต่มีแต่รูปธรรมที่เป็นมหาภูตารูปอุปทายรูปก็ไม่มีความเจ็บในอุปทายรูปไม่มีความเจ็บในอุปทายรูปไม่มีความตายในอุปทายรูปไม่มีก็เลยไม่มีพมิฉะนั้นในในในในรูปแบบนี้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 มุนตัวนีหายโรคทุกวูปจจมินตุเตทุกขาวูปจจมินตุเตะยาวูปจจมินตุเตโลาวูปัจมนตุเตทุกโศกโรกภัยโลคาหาย พุทธะรัตนังธรรมรัตนังสังครัตนังโอชดรักษาโลกสสงชาติเชลามุณะโศกปเทวุทุกข์ห้อยอันนี้นะคือทำไงเห็นนี่ต้องยากเลยเห็นนี่ต้องนั่งหลังคนหลังงอแล้วนอนอยู่เห็นไม่ได้เลย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 เพราะอกุศลมันแข็งกว่าถ้าคิดสู้คิดหาน่ะกุศลมันอ่อนถ้าทําลงไปเน่ยอกุศลมันอ่อนลงมากุศลมันเข้มแข็งขึ้นมาจึงจะชนะได้ไม่ใช่ไปคิดเอามันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงเนี่ยคือกรรมคือการกระทําหลงดีไหมไม่ดีไม่หลงดีไหม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 จนขันคุ้มไปเลยมนะันก็ก็ก็ยิง่งเจริญเลยในเวลานอนนะยิง่งเจริญในความหลงถ้านอนไม่เป็นนะถ้านอนเป็นก็<ม>ก็ได้ในสงตื่นขึ้นมาพรรุทธธรรมเลยก็มีมีนะไอ้ชีบทนะก็ัยนะ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 นบางทีก็ใวยโอกาสหลงเฉยเช่ไหมเอาวลานี้ไม่ได้ยงกวนเราคิดถึงคนนอนคิดถึงคนนี้รสชาติในความลักความชังเอามาลำดับลานาอะไรอะไรก็ปล่อยกันใหเวลานอนหลงมากที่สุดแล้วประมาดเวลานอนปํางัดเวลาอะไรไม่ได้ต้องทีทีทีจักหน่อยนะ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 ฝนฟ้ากไ็ไม่ค่อยชื้น่ฉะฤดูเนี่ยเป็นฤดูปริเปริกได้มากที่สุดเลยปรเปริกขึ้อยู่ที่ไหนอยู่ในที่ไหนก็ได้อยู่กับกายกับใจเราเนี่ยไม่แม้รบกวนเราอย่างนั่งเนี่ยก็เฉพาะอาการหนาวก็อยู่ในผ้าหมหรอกฉันเข้าแล้วพราหมคุมหัวน้องสร้างจังหวะในพราหมให้มีไออุ่นขึ้นมา